บทที่ 37. สามสิบเจ็ดำนึกแรกที่กลับคืนมาสู่สมองอันมึนพลามึนงงไปหมดในขณะนี้ระพินไพรวันไม่อาจบอกได้ถูกว่าเขาอยู่ในภาวะใดยังมีชีวิตร่างกายอยู่เพื่อเหลือแต่วิญญาณแล้วเราเป็นใครกำลังทำอะไรและอยู่ที่ไหนนี่คือคำถามที่ตั้งขึ้นอย่างวกวนแล้วก็ตอบตัวเองว่าชื่อรพินะกุลไพรวันอาชีพพรานป่าอยู่หนองน้าแห้ง มีแม่ผู้ชราแล้วอยู่ในเขตอำเภอจุดจุดจุดจำได้อยู่4ีอย่างเท่านั้นเองในภาวะนี้ต่อมานามหนึ่งก็ผูดขึ้นอีกจารินวราริ์ใครและใบหน้าหนึ่งก็ผูดลางๆขึ้นในจินตนาการค่อยๆเด่นชัดขึ้นทุกทีกำลังมองนิ่งมาที่เขาด้วยดวงตาอันคลอหยาดน้ำคุณหญิงเขาเปร่งเสียงออกไปพร้อมกับขยับไว้กายแล้วก็พง n g หลังลงไปในลักษณะเดิม คราวนี้ความรู้สึกทางอินทรีย์เริ่มเด่นชัดขึ้นเป็นลําดับปวดหนืบที่บริเวณศีรษะและต้นคอเป็นจุดหมายแรกต่อไปก็กระจายความเคล็ดขัดย่อไปทั่วสันผางจนตัวเองต้องกัดฟันและออกเสียงครางเบาๆโดยไม่ตั้งใจมองไม่เห็นอะไรนอกจากความมืดเหมือนฉากอันดําสนิท ด, ดวงตาปิดหรือเปิดไม่ทราบได้แต่ก็ถ้ามันรู้สึกถึงความเจ็บปวด ร, วดรุนแรงไปทั่วทั้งองค์คาพยพเช่นนี้มันก็น่าจะแปลว่าก็ยังมีชีพชนอยู่แต่กําลังทรมานยิ่ง พยายามนอนนิ่งที่สุดไม่ขยับขยเรื่อนไหวติงเลยสภาพที่แรกเริ่มรู้สึกตนเองอยู่ในภาวะใดก็ปล่อยให้อยู่ในภาวะนั้นก่อนภาพใบหน้าของสตรีอันเป็นสุดที่รักขุดรางรังขึ้นอีกดูเหมือนหล่อนขยับริมฟิปากและพูดอะไรกับเขาแต่เขาไม่เข้าใจความหมายต่อมาใบหน้านั้นก็เลือนห่างไกลออกไปคราวนี้ปรากฏอีกใบหน้าหนึ่งซ้อนเข้ามาแทนที่ยิ้มเห็นฟันขาวเป็นภาพที่ชัดเจนมากแงาทาย รู้สึกว่าตนเองตะโกนกล้องไปอีกควบคุมสติไว้ให้ดีผู้กองเสียงทุ่มรึกนั้นแววสู่โสดหรือสู่ทางจิตไม่อาจาระหนักได้แต่มันชัดที่สุดผู้กองก็สิทธิ์มีอาจารย์สิทธิ์มีอาจารย์ประโยคนั้นย้ำเตือนด้วยความหมายแล้วภาพใบหน้าของมิตรร่วมตายในอดีตก็สลายวับไปกับตาลายเป็นความมืดสนิทตามเดิม นอกจากเสียงที่เหมือนกระซิบซ้ำๆอยู่ริมหูว่ะสิทธิ์มีอาจารย์สิทธิ์มีอาจารย์าาระพินไพยวันเริ่มสำนึกในลงปรานของตนที่ร ะ, ะบายเข้าออกทางช่องจมูกและปากในอันดับต่อไปใช่แล้วเขาอย่างหายใจอยู่แผ่วหัวยเลือกเกิดขยับปลายนิ้วของแขนขวาก่อนระดิกเรียกความรู้สึกไปทีละนิ้วครบตั้งแต่หัวแม่มือจนถึงนิ้วก้อยแล้วดึงขึ้นมะครั้งแรก มันไปพันติดอยู่กับสายอะไรชนิดหนึ่งที่ลุงลังเกะกะเหมือนเชือกอันยุ่งเหยิงทดลองจับดูสัมผัสก็บอกได้ว่าเป็นเส้นของเถาวัลย์จึงค่อยๆดึงมือและแขนข้างนั้นออกมาในที่สุดก็นำมาวางบนอกได้อกซึ่งเจ็บและยอกเหลือประมาณต่อมาก็ส่งความรู้สึกยี่เรียกไปยังแขนซ้ายรู้สึกว่ามันห้อยอยู่กลางอากาศไม่ได้ติดขัดอะไรเลยจึงยกขึ้นมาวางไว้บนอกอีกครบหมดทั้งสองแขน อ๋อแขนยังอยู่ยังไม่ได้ชำรุดไปทั้งสองข้างแม้จะระบมชาคราวนี้ก็พนมมือขึ้นเหนือ่วงอกจะ ก, กดกลั้นลมหายใจระลึกถึงพระเจ้าห้าพระองค์เป็นอันดับแรกแล้วก็บริกรรมพระเวทมหามนุ์ซึ่งร่ำเรียนมาเพื่อเรียกพลังและสกัดกั้นความเจ็บปวดทรมานอยู่ในขณะนี้ครบสิน้นเจ็ดคาก็ลูบฝ่ามือทั้งสองที่ใบหน้าศีรษะต้นคอและบริเวณซวงอกและสลัดออกไปนอนนิ่ ง, งสงบจิต คิดถึงคุณวิดามานดารูบาอาจารย์อีกพักใหญ่ประสาทสัมผัสทุกส่วนที่อยู่ในภาวะมึนงงเลื่อนลือนลังๆางก็ค่อยๆกลับคืนมาโดยครบถ้วนความจุกเสียดเจ็บยอกแทบว่าจะอักออกมาเป็นเลือดก็ค่อยๆทุเลาลงและบัตดนี้เขามีความเป็นตัวของตัวเองแล้ว<อ>เพียงแต่ยังไม่แน่ชัดเท่านั้นว่าอยู่ที่ไหนลืมตาขึ้นมันก็มืดมิดเท่ากับหลับตานั่นเองแทนทั้งสองค่อยๆเอื้อมแตะคลำไป เท่าที่รัศมีจะเอื้อมถึงทางด้านซ้ายพบแง่หินอันตบุมตะปั่มครุขระสากส่วนทางด้านขวาเป็นซ้ายแอมยูดยุดของเถาวันราวกับใครมาทักไว้เป็นสายเปรหรือกระเช้าบางแห่งก็หนาแน่นบางแห่งก็โปร่งบางและพบช่องที่โปร่งว่างมีอากาศโล่งๆอยู่ภายใต้ถ้าขยับตัวพลวดพลาดในขณะนี้อาจจะหลุดจากตำแหน่งที่มานอนหงายค้างคาอยู่ร่วงลงไปยังด้านล่างซึ่งตะเคะเนยังไม่ถูกกันลึกสักเท่าใด ได้มีอะไรร อ, องรับอยู่บ้างเหวแน่แน่เขาลนลงมาในเหวระดับที่ร่วงลวนลงมาสูงเท่าใดไม่ทราบแต่แน่ละก่อนที่จะสิ้นสุดค้างร่างอยู่ตรงนี้ร่างกายจะต้องกระเด็นกระดอนกระแทกแง่หินมาเป็นลําดับขาซ้ายพาดอยู่บนพื้นแข็งระดับไม่เสมอนั่นก็แปลว่าติดโคดหินขาขวาพาดอยู่บนเส้นประสานพันกันของเทาวันส่วนที่ต่ํากว่าเขาลงไปนั้นห้อยอยู่กลางอากาศ มันมืดแล้วเกินมืดชนิดมองอะไรไม่เห็นซึ่งถ้าขยับตัวไม่ถูกหลักผิดมุมผิดทิศทางแม้แต่นิดเดียวร่างกายจะหลุดล่วงต่อไปจากตำแหน่งที่้าค้างห้อยติดอยู่สิ่งที่จะทำได้ในขณะนี้ก็คือใช้มือค่อยๆลูบ ค, ค, คำสำรวจไปตามร่างกายไม่มีรอยเลือดไม่มีรอยแตกแต่บางแห่งบวมชำ้ำกระดูกส่วนใดก็ไม่มีการหักเว้นแต่ว่าปวดหนึบและขัดเคล็ดไปหมด ขึ้นอำนาจจิตอันแข็งกล้าของตนเองกำลังคุมพิษทรมานนั่นลงไปยังไงมายังไงกันนี่หวา่าอาตมาเ้าพึมพำออกมาจากลําคอจึงนั่นดูเหมือนจะเป็นเสียงประโยคแรกที่เปล่งแหบแห้งออกมาได้เป็นยังไงสบายดีหรื อ, อยังผู้กองเสียงทักทายมาอีกคราวนี้ครัวไปกับอาการหัวเราะยังมาจากไหนก็ไม่ทราบได้แต่อยู่ใกล้ใ้ตัวเขานี่เองสบายกันลิงอะไรล่าทัจากจะกะอักเลือดออกมาอยู่แล้วเาตอบออกไป คนอย่างผู้กองไม่กระอักเลือดง่ายๆหรอกนะเนื้อหนังดีออกจะตายไปขนาดเลือดก็ยังไม่ออกสักหยดเป็นคนอื่นมรนังสังโคดับจิตไปละวนรอยแตกสักนิดก็ยังไม่มีแค่โนน่วมไปบ้างเท่านั้นเฮอ้อพลาจนได้เหมือนกันนะลูกพี่เรานี่แง่าสาฉันได้ยินเสียงของแกนะแต่ไม่เห็นตัวอยู่ที่ไหนกันนี่เสียงหัวเราะ ก, กังวานทุ่มแววมาอีกผมจะอยู่ที่ไหนก็อยู่ตรงที่ผมควรจะอยู่น่ะสิไอ้ที่ผู้กองได้ยินนะ่ะ มันเป็นซับคอนเทน ต, ตะจิตได้สํำนึกของผู้กองเองตั้งหาแง่ทรายอยู่ในมรกตนครโน่นมาพูดกับผู้กองในขณะที่นอนเปรกเช้าอยู่กลางเหว ล, ลึกนี่ได้ยังไงจริงไหมและถ้าสมมุติว่าผมอยู่ใกล้ๆผู้กองตรงนี้ผมควรจะอยู่ที่ไหนละ่ะเหาะอยู่กลางอากาศในเหวนี่เนี่ยเหรอหรือว่าเกาะเป็นตุ๊กแกอยู่กับผนังถ้าแง่ทรายครับผมไอ้บ้าอ้าวแล้วกันด่าซะแล้วเอผู้กองนี่ปากจัดไม่หาย แม้กระทั่งผางแอปผางแอปจะตายอยู่ที่นี่ก็ยังไม่ทิ้งนิสัยเก่าก็ฉันได้ยินเสียงของแกออกชัดชัดนี่หวา่าสองหูเนี่ยก็พูดเองแล้วก็ตอบเองนะ่ะพอตัวเองจะเป็นระพินก็พูดอย่างระพินพอคิดว่าแงซายควรจะตอบอยังไงก็คิดและได้ยินเอาเองอฮึทางนั้นก็แปลว่าที่ฉันใกล้จะตายแล้วใช่ไหมผู้กองนะ่ะตายมาตั้งห้าร้อยครั้งแล้วตายไปแล้วทีไรก็กลับฟื้นขึ้นมาอีกทุกที กรรมเก่ายังไม่หมดต้องชดใช้กรรมทรมานไปอีกนานนะให้ตายหาเถอะที่ฉันไม่ได้พูดหรือเข้าใจเอาเองเลยฉันได้ยินเสียงแกออกชัดๆัดเพียงแต่นึกไม่ออกพวกนั้นว่าในภาวะเช่นนี้เรื่งของแกลอยมาได้ยังไงจะว่าแกดับจิตไปแล้วและดวงวิ ญ, ญญาณของแกมาพูดกับฉันอีกก็ใช่ที่ลืมเสียแล้วหรือว่าเจ้าแง่สายน่ะมันคนลึกลับมันก็คงลึกลับอยู่นั่นแหละไม่งั้นเสียบุคลิกของแง่สายหมดสิสํำแดงตัวให้ฉันเห็นหน่อยสิ ประวาดภาพของผมขึ้นมาซิแล้วผู้กองก็จะเห็นเองแหละว่าในเมนูภาพยังไงละ่ะประพินนิ่งพยายามขจัดทุกสิ่งทุกอย่างออกไปแต่ไม่สนใจที่จะนึกคิดถึงเจ้าคู่ปรับคู่มิตรเก่าแก่อีกลำดับภาพทบทวนถจนตาเหตุว่าอะไรมันเกิดขึ้นในสภาพไหนเขาถึงมาตกอยู่ในลักษณะเช่นนี้ใช่แล้วเขากําลังตามรอยไอ้ผีดิบมันใจในซากไม้ ย, ยังหมายมัน่นไรเฟิลและไฟฉายพร้อมอยู่ในมือกะว่าถ้าเห็นตัวทถนักเมื่อไหร่จะฉีกร่างมันให้ย่อยยับเป็นซิกซิกด้วยกระสุนยิงช้าง แต่เขาไม่ได้โอกาสนั้นเลยมันคอยหลีกลบวิถีทางปืนไม่ให้จับเป้าหมายได้ถนัดและล่อให้ตามมาทุกระยะขณะนั้นเขาลืมคิดถึงอะไรทั้งสิ้นมุ่งแต่จะติดตามทําลายร่างของมันให้ได้อย่างเดียวเสียงหัวเราะเย้ยหยันเสียงพูดยั่วด้วยประโยคว่าตามตูมาถ้าสูงแก่กล้าลิศจริงจงตามตูมาเป็นระยะระยะมันนำล่อเขาไปเรื่อยๆจนกระทั่งขึ้นเขาเตี้ยๆลูกหนึ่งแต่เขาก็สาวรอยอย่างไม่ลดละ บริเวณสุดท้ายที่จำได้เป็นยอดเนินลักษณะประราดเต็มไปได้วยโขดหินและไม้ใหญ่ร่างของมันไต่หลบรูปบังเอาอยู่หลังต้นตะเคียนต้นตะเคียนใหญ่เขาคุ้งเชิงอยู่นานเพราะบริเวณนั้นค่อนข้างโลง่งถ้ามันโผล่ออกมาพระจากที่นั่นเมื่ อ, อไหร่ก็จะเข้าทา ง, ทางลําไฟฉา ย, ลยและศูนย์ปืนเมื่อนั้นแต่มันก็ไม่โผล่ออกมาวิธีเดียวเท่านั้นที่เขาจะได้เป้าหมายก็คือเดินอ้อมไปอีกทางด้านหนึ่งเพื่อเห็นร่างของมันที่หลบบังอยู่ระวังที่ย่องกริบอ้อมเพื่อหามุมยิงนั่นเอง เขาก็เหยียบลงไปบนกิ่งไม้ผูกที่ปกคลุมไว้ด้วยใบไม้แห้งเสียหลักเหยียบอากาศเย็นว่าปลงไปร่างกายลอยละลี้วลงไปสู่ความเวงวางที่ซ่อนอยู่ใต้ระดับพื้นและความรู้สึกทั้งมวลก็ดับมืดวูบเมื่อสัมผัสครั้งสุดท้ายว่าท้ายถอยกระแทกเข้ากับของแข็งที่รองรับอยู่ด้านล่างเขาจะหมดความรู้สึกไปนานสักเท่าใดก็ไม่ทราบได้แต่ขณะที่ได้สติรู้สึกตัวขึ้นมานี้รู้แต่เพียงว่ามันมืดสนิทนอนแงนหน้ามองขึ้นข้างบนไม่เห็นอะไรเลยนอกจากสีดำ ลำดับภาพได้แล้วใช่ไหมว่าเรื่องมันเป็นยังไงไมายังไงดูเอาเถอไม่ได้คิดไม่ได้พูดอะไรอีกเลยเสียงของเสียงที่จําได้ว่าเป็นเสียงของแง่สายก็ถามมาอีกอย่างกับตัวตนของเจ้าอาดีตร้อยโถกองโจรกระเหลียงผู้นั้นมาอยู่ใก ล, กล้ๆแกหลอกหลอนฉันเหมือนผีป่านะแง่สายที่ฉันยังไม่ได้นึกถึงแกยังไม่ได้พูดอะไรกับแกสักคาแกก็พูดกับฉันมาเองกลัวผู้กองเหงาก็ต้องมานอนที่ต้องมานอนแงแกอยู่ในเหวนี่คนเดียวก็เลยชวนคุยถ้ามีแหม่มสาวสวยนั่นคนใดคนหนึ่ง มาอยู่กับผู้กองตอนนี้ด้วยก็จะไม่เสือกะโลกมาคุยด้วยหรอกนี่อย่ามายั่วโทสะฉันดีกว่าเก๋นึกว่าฉันมีอะไรกับแหมมสองคนนั่นหรือเอาละถามงี้ก็ดีแล้วผู้กองมีอะไรกับแหมมที่ร่วมทางมาด้วยหรือเปล่าโดยเฉพาะแม่ผมสีแดงนั่นตอนหัวค่ํานี้บนหน้าผานู่นตอนที่ขึ้นไปเยี่ยมเจ้าสะอเอิงด้วยกันประพินสะอึกปวดยีดขึ้นมากลางหัวอกอีกเอามือทั้งสองกุมไว้แง่ซ้ายผู้มีแต่เสียงหัวเราะแผ่วเบาผมไม่โทษผู้กองหรอก ถึงนายหญิงจะรู้เธอก็คงไม่ประนามผู้กองเหมือนกันเพราะมันเป็นอุปติระเหตุสุดวิสัยน่าเห็นใจระวังอย่าให้เกิดซ้ำขึ้นอีกก็แล้วกันผลแห่งการพลาดสัจจะทำผิดเจดตนาลมของตัวเองที่ตั้งไว้นี่แหละคืนนี้ผู้กองถึงได้เคราะห์ร้ายจนเกือบถึงชีวิตแง่ทายฉันจะไม่กลับไปให้ในายหญิงของแกเห็นหน้าอีกแล้วและชีวิตของฉันก็คงไม่ตลอดรอดฝั่งหรอกในการเดินทางครั้งนี้อาจดับจิ้นลงตรงนี้ที่นี่ก็ได้ เขารำพึงเศร้าๆนายหญิงยังรักผู้กองอยู่รักยิ่งกว่าชีวิตของเธอเองและเธอพร้อมที่จะให้อภัยให้ผู้กองทุกกรณีผู้กองใจร้ายมากถ้าหากไม่คิดที่จะให้เธอได้พบเห็นหน้าอีกเรื่องแค่นี้ผู้กองอย่ามาคิดเศร้าหรือถือเป็นบาปผิดอะไรจนถึงกับต้องหนีหน้านายหญิงตลอดไปหรอกผมพูดเล่นนะแถมแม่ผมทองคนสวยจัดนั่นอีกคนด้วยอ้าตามสบายไม่มีใครเขาว่าอะไรหรอกประเดี๋ยวกยใกล้ๆสางแม่โฉบงานทั้งสองคนนั้น กับพรรพวกก็จะตามมาพบผู้กองเองแหละตอนนี้ทนนอนเปรธรรมชาติในเหวนี่ไปก่อนอย่าพยายามพลิกตัวไปทางขวามือนะดีย๋ยวร่วงลงไปอีกคราวนี้ต่อให้สิทธมีครูมีอาจารย์สักแค่ไหนก็กระดูกอ่องนอกเนื้อแน่และจะว่าแง่ทายไม่เตือนไม่ได้พวกเขาจะตามมางั้นหรือถามพี่ลึกใครเขาจะปล่อยให้ผู้กองสาบสูญไปเฉยๆในเมื่อผู้กองเป็นกําลังสําคัญในการเดินทางของพวกเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งแม่ผมสีทองตาสีฟ้าน่ะ วงผู้กองมากกว่าไม่ผมแดงซะอีกเกิดเป็นชาติชายทั้งทีก็อย่าให้เสียเหลี่ยมเชิงชายนะอ้าวไอ้เปรตคราวนี้ทำไมถึงยุยงยี้ยงถ้ามองเห็นตัวกันแล้วก็พ่อเตะจริงๆด้วยโหกำลังจะขยับขยืขย่นตัวเองตอนนี้ก็แทบจะไม่มีอยู่แล้วยังจะคิดเตะแงส า, าอีกเอาละนอนฝันอลไรไปก่อนคนเดียวเธอผมไปละเฮ้ยเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปอะไรอีกล่ะผู้กองอไลเฟ่กับไฟฉายฉันอยู่ที่ไหน เอาตัวเองให้รอดเจ้ก่อนเถอะี่โทคิดถึงปืนกับไฟฉายโน่นปืนหล่นลงไปคาอยู่กับซอกหินข้างล่างโน่นยังไม่ถึงกับชำรุดเสียหายหรอกแต่ไฟฉายลงก้นเหวเละไปหมดแล้วออกฉลาดปราดเปรื่องได้สารพัดบทจะเคลาขึ้นมาก็เคลาชมัดเลยผู้กองนี่มีอย่างหรือปล่อยให้ไอ้มันไตรในซากใหม่ล่อมาลงเหวนี่รู้ไหมพอผู้กองมานอนสลบอยู่ในเหวนี่ทางด้านแคมป์นั้นเกิดอะไรขึ้นบ้างมันฉวยโอกาส บุกเข้าไปตอนผู้กองไม่อยู่แหลกพี่นาฏไปหมดทั้งแคมป์แล้วโชคดีที่ไม่มีใครตายขึ้นหน้าผากันทันเราเพินใจหายวาบจริงหรือไฮซายเอาไว้พบหน้ากันก็ลองสอบถามกันเองเถอะพวกนั้นครั้งแรกก็ด่าพ่อร่อแม่ผู้กองระงมกันไปหมดเราอยู่ไม่อยู่ก็หายหัวไปแต่เดี๋ยวนี้กําลังตรีตะเลืกตามผู้กองอยู่ผู้คนได้กว่าผู้กองตายไปแล้วไม่แต่ลูกน้องสี่คนของผู้กองเอง ทำไมแกไม่ช่วยทักทวงฤาษกัดกั้งฉันไว้ขอนจะพลาดท่าเสียทีมันช่วยทำไม่อให้เจ็บตัวเสีบ้างสิอยากอยากผิดสัตว์กับนายหญิงของผมนี่พรานใหญ่ถอนใจลึกหลับตาลงและทันทีที่เขาหลับตานั่นเองภาพของอดีตแงส า, ายก็ปรากฏเด่นทันทีเจ้ากระเลียงดงโฉมงามนั่งอยู่บนเชอกอ่อนหินเหนือระดับที่เขานอนติดข่ายเท้าวันขึ้นไปอมยิ้มอศอกเท้ากับเขา และวางคางลงกับฝ่ามือกําลังมองมาที่เขาด้วยประกายตาคมปราบงามซึ่งเหมือนในตาของผู้หญิงอันเป็นบุคลิกเดิมๆที่เคยเห็นความจริงมันเป็นความมืดนี้แต่เขาเห็นภาพนั้นได้อย่างไรก็ไม่อาจบอกถูกฉันเห็นแกแล้วไงซ า, ายก็ควรจะเห็นถ้าผู้กองยังระรึกถึงผมอยู่ช่วยหน่อยสิไอ้น้องชายจะให้ช่วยอะไรหาทางให้ฉันขึ้นจากเหวนี้ให้ได้เอไม่เห็นจะไม่ใช่หน้าที่ของผมหรอก อยู่ตรงนี้ไปก่อนเธอจนกว่าในจ้างของผู้กองจะตามมาพบคือถ้ายัางตามไม่พบพอสว่างให้มีแสงสักหน่อยผู้กองก็หาทางไต่ขึ้นไปเองได้แต่ไม่ใช่ตอนนี้แง่สายฉันคิดถึงนายหญิงของแกเหลือเกินคิดถึงจนบอกไม่ถูกอยากรู้เหลือเกินว่าขณะนี้เธอกำลังทำอะไรอยู่คงกำลังมีความสุขอยู่ท่ามกลางญาติพี่น้องมิตรสหายทั้งหลายคืนนี้เป็นวันเกิดของเธอเสียด้วยอ๋อยังจาวันเกิดของนายหญิงได้อยู่อีกหรือ แกรู้ดีว่าฉันรักสุภาพสตรีผู้นั้นแค่ไหนเพียงไรแต่ผู้กองก็หนีเธอมาเสียทั้งทั้งที่นัดกับเธอไว้แล้วประพินนิ่งน้ำตาซึมทั้งทั้งที่นอนหลับตาอยู่เช่นนั้นกัดกรามแน่มเสียงแง่ายบอกต่อมาว่าถามรึว่าเธอกำลังทำอะไรอยู่ฮึจับไข้ทุกทรมานหัวใจแทบขาดนอนพนมมือสวดมนวิงบอนตามองดูเพดานไม่ได้หลับนอนเธอรู้หมดแล้วล้ว่า ผู้กองนี้เธอจริงๆนะผู้กองที่ไม่น่ารักถ้าผมเป็นนายหญิงแล้วก็ลืมผู้กองไปแล้วจะไปเป็นตายร้ายดียังไงอยู่กลางป่าก็เชิญตามสบายหาแฟนใหม่ดีกว่าเจตดาว่าฉันยังไงก็เชิญเธอแงซายแต่ฉันก็รักเธอรักจนสุดหัวใจรักอย่างบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่มีอะไรเครือบแฝงแต่ฐานะของฉันอย่างหนึ่งเธอนั้นอีกอย่างหนึ่งเราห่างไกลกันเหลือเกินก็หมตะคิดอยู่อย่างนี้นี่นะเส้นทางมันถึงไม่บรรจบกันเสียที ฉันอาจตายก่อนตะวันขึ้นแง่าสายร้องเพลงให้ฉันฟังสักเพลงเถอะแกมันคนชอบร้องเพลงอยู่แล้วเสียงของเขาแหบเครือสลดและลันทดเอาละผมจะร้องเพลงกล่อมให้ผู้กองนอนนอนเพื่อว่าจะตื่นหรือไม่ตื่นก็สุดแล้วแต่กรรมเวรที่สร้างมาเสียงของผมจะก้องขึ้นฟ้าและจะแววไปถึงหม่อมราชวงศ์หญิงดารินบราฤทธิ์ในขณะนี้ด้วยมันจะเป็นความรู้สึกนึกคิดที่ถ่ายทอดออกมาจากหัวใจของนายหญิงในขณะนี้แหละฟังนะ ฉันกาลังฟังประพินยขยับริมฝีปากหมุบหมิบมือทั้งสองประสานกันบนรวงอกแล้วเพลงบทหนึ่งที่วิเวกกังวานขึ้นเป็นเสียงอันไพเราะของแงสายที่เขาคุ้นหูมาก่อนแต่เนื้อความป ร, ราชเทือนใจนะความว่าโอ้ใครไหนครวนจวนค่ำรอดคำหรือเธอครวนใครเธออยู่แห่งใดเธออยู่แห่งใดเธออยู่แห่งไหนห่างไกลเหลือไกลเกินทาง อ้างว้างฝันเคยเคียงใกล้เธออยู่ห่างไกลเธออยู่ห่างไกลจิตใจไวหวหวั่นสวดมนต์ส่งพรวอนฟ้าข อ, อนิทราแนบเธอนิลันถอดหัวใจถ่ายสัมพั์ฝากกันสั่นหรือถ่ายวันใจคันหนึ่งติดตรึงมั่นในหัวใจคร่ำครวญเธออยู่ไหนเธออยู่แห่งใดถึงไม่คืนมา ฝากลมพริ้วพรมโชยผ่านฝากทานพฤกไพรไม้ป่าช่วยกล่อมวิญญาช่วยปลอบทิวาทวิญหาเธอดารินวราฤทธิ์ผู้กำลังนอนมองเพดานห้องอยู่คนเดียวในขณะนี้แววลำนำเพลงนั้นอย่างถนัดสนิทมันลอยมาจากที่ใดอย่างไรไม่ปรากฏแต่จำกระแสเสียงได้ว่ามันเป็นเสียงของเจ้าคือรีบูนแงสาย หล่อนพลิกคว่มหน้าลงกับหมอนร้องไห้กระสิกมือทั้งสองกำขยุ่มหมอนแน่นแงซ า, ายเอาเพลงที่ไหนมาร้องนี่มันเป็นความรู้สึกจากขั้วหัวใจของฉันขณะนี้ประพินขาเธออยู่ไหนประพินพรายวันปวดร้าวไปทั้งหัวใจปวดเจ็บยิ่งกว่าภาวะทางร่างกายของเขาในขณะนี้หลายเท่านะักตาคงหลับมือประสานวางบนอกเช่นนั้นกระแสะเสียงเพลงลึกลับ จังแผ่วได้ยินทั้งประสาทหูและในเจตสิกระดับเนื้อความได้หมดทุกคำสวดมนต์จงพรวอนฟ้าขอนิทราแนบเธอนิลันถอดหัวใจทายสัมพันธ์ฝากกันสั่นหรือไทยวันใจครนึ่งติดตรึงมั่นในหัวใจล่ำครวนเธออยู่ไหนเธออยู่แห่งใดถึงไม่คืนมาชายหนุ่ม พูดตลอดทั้งชีวิตเกิดมาด้วยความอาพับอัปภาคลำบากยากแค้นแสนสา้าหะปัดนี้มีรอยยิ้มเศร้าจับที่ริมฝีปากอันแห้งผาแตกเป็นเกร็ดหนาวสถานสั่นไปทั้งกายกระซิบพึมพำออกมาผมอยู่นี่ครับคุณหญิงอยู่กลางเหวลึกและกำลังจะตายผมกลับคืนไปไม่ได้อีกแล้วปากลงพลิ้วพรมโชยผ่านฝากทานรึใครไม้ป่า ช่วยกล่อมวิญญาช่วยปลอบที่วาทวินหาเธอก้อนหลังของเนื้อเพลงในครั้งนี้ดูเหมือนจะไม่ใช่กระแสเสียงของนายสายเสียแล้วแต่ฟังเป็นเสียงของผู้หญิงคนหนึ่งที่พร่ำวิงวอนฝากสายลมมาแล้วเขาก็หมดสิ้นความรู้สึกทั้งมวลลงอีกครั้ง